รออรพระดูทีวีซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยผิดไหมพระดูทีวีผิดไหมผิดถ้าหากว่ามันเกินไปมันก็ผิดอะไรมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีความพอดีพองามของมันถ้าดูข่าวดูบทธรรมะอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหากว่าผู้มีจิตใจมั่นคงจริงๆแล้วดูอะไรก็ดูได้จะดูสาวสวยให้มันเป็นโครงกระดูกไปก็ได้ที่ท่านห้ามนะ่ะห้ามบุคคลผู้ที่จิตใจไม่มีภูมิจิตภูมิทำอะไรแต่ท่านก็ห้ามไว้หมดไม่มียกเว้นทีนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิทำกันจริงๆเนี่ยถ้าไม่ดูได้เป็นดี ที่วินัยท่านห้ามเอาไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกินไปอะไรที่มันทาเกินเลยกันไปก็เข้าข่ายที่เสียหายเคยมีพระในคณะธรรมยุตซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเจ้าคณะบอกให้ศึกแต่ท่านก็บอกอย่างนุ่มนวลท่านรวยเป็นเศรษฐีแล้วออกไปหาความสุขในทางโลกเสียท่านว่าแต่แท้ที่จริงเขาไล่ให้ศึก ถ้าพูดไปตามกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์มันเป็นอเนสนาลอตเตอรี่ก็คือการพนันพนันที่ไม่ผิดกฎหมายต้องอาบัตทุกกฎกฎเกณฑ์ของพระยินดีในปัจจัยสี่ตามที่ญาติโยมศรัทธาตามมีตามเกิดถ้าไปสแสวงหาอะไรที่มันเกินกฎเกณฑ์นี้มันก็เป็นอเนสนาแต่ไปซื้อหวยเนี่ยล่อแหลมต่ออันตราย เพราะหวยผิดกฎหมายพระไปทำผิดกฎหมายเป็นพระได้อย่างไรสำหรับหวยเบอร์เนี่ยคนขายก็ผิดคนซื้อก็ผิดพระไปซื้อหวยเบอร์จะเป็นอาบัติอะไรเวลาถูกปรับก็ปรับตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปแต่พระท่านก็ยังทำกันอยู่